เพราะว่าวิสุทธิมรรคเป็นคัมภีร์ที่ขยายตามหัวข้อที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเนะีนะ่ยะอาศัยที่ทางอันนี้เอาไว้เป็นข้อมูลในการศึกษาพระธรรมก็ดีนะคำถามเจ็ดคำถามเนี่ยนะนะอยากยกตัวอย่างถ้าเราเราเจริญเมตตาล้วก็เอาวิธีที่วิธีถามเรื่องสีเนี่ยมาถามอะไรชื่อว่าเมตตานะนะอะไรคือเมตตา เมตตาพร่อทว่ากไรเมตตามีลักษณะอย่างไรมีรสประจูประฐานะประทับฐานะเป็นอย่างไรเมตตานี้มีอะไรเป็นอนิสงส์เมตตานี่มีกี่อย่างนันะแล้วก็เมตตานั้นมีอะไรเป็นความเศร้าหมองเมตตามีอะไรเป็นความผ่องแพ้วนั่นะก็เอาเอาคำถามแบบนี้เที่ยวถามในธรรมะแต่ละหมวดแต่ละหมวดนี่ก็จะทําให้เราแตกฉานลักษณะนี้เขาเรียกว่าปริปุชชา ปริปุจช้าว่าถามรอบวิเคราะห์โดยรอบแต่ถ้าผู้ที่เรียนเนติประกรณ์นี่เขาเอาหลักฐารสิบหกมาถามทุกๆคำนั่นใช้หลักฐารสิบหกในการวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องสินีเขามีคำถามเรื่องศินกี่คำถามเจ็ดคำถามนะคำถามที่หนึ่งมีอยู่ว่า อะไรคือสนอีนนี้สบายมากนะหนึ่งเจตนาสินสองเจตสิกสีนสามสังวรสีนสี่อวีติกมะเจตนาศิ น, น, นเจตนาศิน น, น, นี่เจตนาสินเป็นยังไงเจตนาก็คือเจตนาที่เข้าไปละใช่ไหมเจตนาเวนจากการฆ่าเป็นต้นเจตนาที่ละ หรือไม่ค่าเป็นต้นนั่นเองตรงๆเลยก็คือเจตนาที่เว้นจากกายทูจริตสามวจีทูจริตสี่และเจตนาที่ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติต่างๆอราจะเห็นว่าศีนี่มีอยู่สองส่วนนะต้องเข้าไปทําอย่างหนึ่งกับจะต้องเว้นอย่างหนึ่งจารีตกับวารีนต่อไปเจตสิกศีลเจตสิกศีลก็คือวีรตีสามกับ กับอนัพิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฏฐิถ้าสังวรสิ้นสังวรห้าเนาะหนึ่งศีลสังวรสองสติสังวรสญาณสังวรสขันติสังวรหวิริยาสังวรในสังวรหาอาวีติกรมา ก, ก็คือความไม่ร่วงละเมิด ได้แก่จิตและเจตสิกเอาหมดเลยนะอันนี้องค์ธรรมคลุมหมดเลยที่บุคคลสมาทานแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดออกไปอันนี้คือศีลคืออะไรนะศีลเพราะอัตถาว่าอะไรศีลนะเป็นอัตถะของศีลศีลนะนี่เป็นอัตถะของศีลศีลนะคือ นะสมานานังกับอุปธารานังสมานานังก็คือตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายกรรมนะกายทวารวาจีทวารไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายนะนะด้วยอำนาจกิเลสเป็นต้นนะ่ะก็อุปธารานังก็คือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงนะนะมีชานณภิญญามรุปผลเป็นต้นนั่นเองอันนั้นคือเขาบอกว่าในศีลถึงจะมีมากมายก็ตาม เหมือนกับสีในโลกเนี่ยนะสีในโลกนี่วิจิตรจริงๆมีสีไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะเฉพาะสีนี่คือรูปตายแต่นะสีถึงจะมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ก็เป็นสมบัติทางตาเหมือนกันนะพูดง่ายๆนะใช้ตาดูอย่างเดียวชันใดก็ดีสีถึงจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามก็มีอยู่ลักษณะอันนี้เท่านั้นคือสีลณ ะ, ะเท่านั้นเด่นะ ทนี้อะไรเป็นลักษณะของศีลอะนะอัฐะของศีลกับลักษณะของศีลเนี่ยนะก็คือศีลละนะอัถะของศีลก็ศีลละนะลักษณะของศีลก็ศีละนะอะไรเป็นกิจกิจเลยกิจของศีลคือกำจัดความทุศีนเนี่ยนะกิจกิจจรสกับสัมปัติรสอ่สัมสัมปัติเป็นยังไงสมบัติของศีลคือ อ่ น, นะเราบว่าผ า, าโทษที่ติเตียนไม่ได้เลยสักอั น, น, นถ้าศีนนะผู้รู้ไม่ติเตียนว่างั้นเถอะอย่าไปเอาคนทานเป็นประมาณนะผู้รู้เขาไม่ติเตียนต่อไปอะไรเป็นอาการปรากฏของศีลความสะอาดนะกายความสะอาดทางกายความสะอาดทางวาจาความสะอาดทางใจทีนี้ถ้าถามนอกนอ ก, นอกหลักสูตรที่ว่าแล้วศีลจะพึงรู้ได้ยังไง ว่าใครมีศีลไม่มีศีลนะก็บอกว่าอยู่ร่วมกันนานๆจึงจะรู้นะไอ้ที่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยถ้าอาจจะแค่เป็นฉากฉากหนึ่งก็ได้ต้องอยู่กันระยะยาวจึงจะรู้แล้วก็บอกว่าคนที่รู้เรื่องศีลเป็นอย่างดีนะจึงจะตอบได้ว่าเขามีศินหรือไม่ น, นะรู้ความรู้เรื่องศีลเนี่ยแปลว่าศีลและนิเทศเขาจำได้หมดน ะ, นะะแล้วไปคลุกคลีกับใครแล้วเอาอันนี้ไปไปตรวจสอบดูว่ามีจริงหรือเปล่า อ, นนอย่างนี้เรียกว่าศีลจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆ น, น, นี่านถามว่าอะไรเป็นเหตุใกล้แห่งศีลเนไหมอะไรเป็นเหตุใกล้แห่งศีลหิริโอตปะหิริโอตปะก็คือพวกโยนิโสมนัสิการนั่นเองเห็นไหิริโอตปะก็คือพวกธรรมะประเภทโยนิโสมนัสิการนั่นเองที่จริงแล้วอันนี้เป็นเหตุใกล้เหตุใกล้ของศีลก็คือ นนเหตุไกลของศีลก็คือคบสัตว์บุรุษการฟังธรรมของสัตว์บุรุษเนี่ยนะแล้วก็การทรงจําพระธรรมคําสอนเป็นต้นอ่ะพวกนี้เป็นเหตุไกลแห่งศีลแต่เหตุใกล้เฉพาะหน้าขณะที่ศีลเกิดขึ้นนั้นมีฮิริโอต ป, ปะอันนี้คําถามที่ที่สที่ว่าอะไรเป็นลักษณะรัศปรจุปฐานนะปฐฐา น, นะของศีลอะไรเป็นอณิสง์ของศีล คืออ น, นิสง์ของศีลมีความจริงมีตั้งเยอะนะแต่ก็มีซ้ำาๆกันเหมือนกัน เ, เริ่มต้นด้วยศีลพาสู่นิพพานนะวิปปิสารหมดไปวิปปิสารหมดไปแล้วก็โหขะกองใหญ่กิติศัพท์ฟุ้งไปไกลใช่ไหมไม่ไม่ไม่เกรงใครในที่ประชุม ไม่ลุ่มหลงเวลาตายแสนชืบาลเมื่อเป็นทเทวดาอาอันนี้อันนี้สงมภาคก้อนะนะเถ้าใครอยากจะได้ก็นะไปเพราะว่าถ้ามึงคล่องๆงี้มันก็เ อ, อจำจำได้จำไม่ยากนะตัวนี้อยากหมดหยังครับนะหดหรือยังครับท่านอันนี้สงฆ์ของศีลเนี่ยโอ้อันนี้สงฆ์เยอะกว่านี้เยอะ นี่เอามาห้าข้อนะทีนี้คำถามต่อไปว่าคำถามที่เท่าไหร่ที่ห้านะที่ห้าถามว่าสีมีกี่อย่างสีเ น, นี่ยนะมีหนึ่งนับหนึ่งก็ได้เรียกหนึ่งก็ได้คือสีละนะเรียกสองก็ได้เรียกสามเรียกสี่ก็ได้เรียกห้า ก, ก็ไ ด, กกได้ในคำพีท่านเอามาแค่ห้า แต่ขยายให้เยอะกว่านั้นก็ได้<ร>ไคือถ้าหากว่าเราเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นอย่างดีแล้วก็เอาแง่มุมอื่นๆมาวิเคราะห์ดูว่าที่เราเข้าใจนี่ถูกต้องไหมอันนะั้ศีลโดยประเภทเนี่ยอย่างเช่นเราว่าเรามีศีลเนี่ยนะ เ, ออเราได้แล้วคือตั้งแต่เจตนาศีลเจตสิก สังวรนาวีติกรรมะเข้าใจลักษณระรัศดาปจุปทานอะไรเป็นอย่างดีแล้วก็มาถามดูว่าถ้ามาจัดประเภทแล้วไอ้สิ่งที่เราทำนะ่ะส่วนไหนเป็นจารีตส่วนไหนเป็นวารีตกันนะส่วนไหนเป็นอภิสมาจาร์ส่วนไหนเป็นอาธิพรหมจันทร์ก็มาแบ่งประเภทเนี่ยนะเพื่อที่จะได้วิเคราะห์ดูว่าส่วนไหนที่ดีส่วนไหนที่ไม่ดี หรือว่าถ้าอย่างศีลหมวด3มเนี่ยก็บอกเอ๊ะที่เรารักษาเนี่เป็นอัตาตาธิปไตยหรือว่าเป็นโลกาธิปไตยหรือว่าเป็นธรรมมาที่ปไตยนะนะก็คือเอาแง่ ม, มุมต่างๆมาวิเคราะห์นั่นเองเห็นไหมหรือว่าโดยจตุปาริสุทิศีนอย่างเงี้ยเอ๊ะถ้าเรามีเนี่ยลองไปดูที่ตามหลักจตุปาริสุทิศีห ร, รือเปล่าเอาศีลโดยแง่ ม, มุมต่างๆมาวิเคราะห์นะอันนี้เรียกว่าการจัดประเภทของศีลเพราะว่าแตกชั้นเรื่องศีลน้อยแตกชั้นเรื่องศีลมากก็ตรงเนี้ย ศีนมีกี่อย่างเนี่ยถ้าใครสามารถวิเคราะห์ตั้งแต่น1นึ่งสาสี่ห้าได้มากคนนั้นก็มีความรู้แตกฉานในเรื่องศีลมากเห็นถ้าวิเคราะห์ไม่ได้เลยก็แสดงว่าอะได้แต่ตัวศีลไปก่อนเห็นแต่ว่าจำแนกแจกแจงเอาไปพลิกแพลงอะไรไม่ได้เลยทีนี้ขึ้นคำถามที่6กับคำถามที่7ควบในหน้า176เลย นะในความเศร้าหมองและความผ่องแพ้วแห่งศีลคือสรุปแล้วยอมรับอ่านะว่าศีลเนี่ยดีแล้วละเมีย น, นิสสงแล้วอนะแล้วก็จําแนกประเภทได้แล้วทีนี้เอ๊ะทำไมศีลจึงเศร้าหมองละ่ะทําไมศีลจึงผ่องแพ้วก็เขาบอกว่าส่วนปัญหากรรมข้อที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าก็อะไรเป็นความเศร้าหมองของศีล น, นั้นอะไรเป็นความผ่องแพ้ว ดังนี้อันใดก็ข้าพเจ้าจะได้กล่าวในปัญหากรรมข้อ น, นั้นคือสรุปแล้วจะได้อธิบายเนี่ยนะภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นจัดเป็นเหตุเศร้าหมองของศีลเนี่ยนะศีลที่ขาดไปนั่นเองเนี่ยนะความขาดเป็นต้นนะก็คือขาดด่างพร้อยทะลุไม่เป็นไทยนั่นแหละภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นจัดเป็นเหตุพองแพรว ก็ภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นนั้นสงเคราะห์เข้าด้วยความแตกทาลายอันมีลาบและยศเป็นต้นเป็นเหตุและด้วยเมถุนสังโยคเจ็อย่างบอกว่าศีลที่แตกทำลายบางคนเนี่ยศีลขาดเพราะลาบเป็นเหตุใช่ไหมบางคนเนี่ยศีลขาดเพราะเหตุแห่งลาบบางคนเนี่ยศีลขาดเพราะเหตุแห่งยศบางคนเนี่ยเพราะเหตุแห่ง อวัยวะบางคนนี่เพราะเหตุแห่งญาติบางคนเพราะเหตุแห่งชีวิตเห็นไหมอันนี้เรียกว่าเหตุที่ทําให้ศีลขาดและด้วยเมทุนสังโยคเขาบอกว่าเหมือนกับเมทุนนั่นแหละเหมือนกับการประกอบเมทุนเมทุนนี่ก็คือธรรมะของคนคู่ว่างั้นนี่จะขยายคําว่าศีลขาดศีลด่างศีลพร้อยเป็นต้นต่อไปว่าจริงอย่างนั้นในบรรดากองอบัต เจ็ดศขาบทของภิกษูรูปใดเนี่ยนะคืออบัตเจกองเนี่ยนะอบัตเจกองก็คือตั้งแต่ปาราชิกสังคาทิเศตทุลใจใยปาจิตีปฏิเทสนิยะทุกกฎทุ ก, ทกพาษิตธอย่างเงี้ยพวกอบัตทั้งหลายเหล่านั้นนะนะเขบอกว่าสิกขาบทของภิกษูรูปใดเป็นอันทําลายแล้วในเบื้องต้นก็ดีในที่สุดก็ดีศีลของภิกษูรูปนั้นชื่อว่าขาด เหมือนอย่างผ้าสาดกขาดที่ชายฉะนั้นคือคือผ้านี่ชายขาดนะนะเหมือนกันจางๆขาขาดอย่างเงี้ยหรือว่าผ้าที่มันขาดกระรุ่งกระเร่งตามชายผ้าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นของโยมทั้งหลายก็เป็นยังไงอย่างเช่นข้อ1ขาดข้อ7ขาดอย่างเงี้ยในกรรมบทมีสมมติว่ากายกรรมบจีกรรมที่เป็นกรรมบทเจอย่างอนะถ้าข้อหนึ่งขาดข้อ7ขาดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าศินขาดนะ ส่วนศิกขาบทของพิสูรรูปใดทําลายแล้วในท่ามกลางศีลของพิสูุรูปนั้นชื่อว่าทะลุเหมือนอย่างผ้าสาดกทะลุในท่ามกลางฉะนั้นอันนี้ก็ถ้ากรรมบทก็อย่างเช่นข้อสีข้อ5ข้อ6อย่างใดอย่างหนึ่งขาดอย่างเงี้ยนี้เรียกว่าทะลุอันนี้เรียกว่าศีลทะลุเหมือนนั้นศิกขาบทของพิสูรรูปใดทําลายไป 2- ถึงสข้อตามลําดับศีลของพิสูรรูปนั้นด่างเหมือนอย่างแม่โค มีสีตัวดำหรือแดงอย่างใดอย่างหนึ่งตัดด้วยสีที่ต่างกันอันผุดขึ้นที่หลังหรือที่ท้องฉะนั้นเช่นขาดข้อ2ข้อ4ข้อ6อย่างเงี้ยนะมันสลับขาดอย่างเงี้ยเรียกกระด่างสิกขาบทของพิสูรรูปใดทําลายไปในระหว่างในระหว่างศีของพิสูุรูปนั้นชื่อว่าพร้อยเหมือนอย่างแม่โคที่วิจุดวิจิตไปด้วยจุดสีที่ต่างกันในระหว่างในระหว่างฉะนั้น ก็ที่จริงแล้วมันสรุปแล้วมันขาดทุกข้อนัอ่นแหละคือมันศีนขาดนั่นแหละแต่ว่ามาที่บายเออยังไงชื่อว่าขาดชื่อว่าด่างว่าพร้อยว่าทะลุอย่างงี้ยงงนะเนี่ยนะภาวะที่ศีนขาดเป็นต้นเนี่ยนะเพราะความแตกคำลายอันมีลาบยศญาตอวัยวะชีวิตเป็นเหตุมีโดยประการอย่างนี้ก่อนเนี่ยนะอันนี้ก็คือทำไมศีลจึงขาดจึงชะลุจึงด่างจึงพร้อยล่ะ นนเพราะเพราะลาบเป็นเหตุเขาก็เลยสินขาดสินทะลุสินด่างสินพร้อยทั้งหมดนั้นก็อธิบายคำว่าทู่สีนนั่นเองคือผิดสินข้อใดข้อหนึ่งไปนั่นเอง